นิทานไทยถ้ำเบลิน่านางฝาตัวจิว๋วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลําพังเธออยากมีลูกสาวตัวน้อยเช้าที่สดใสวันหนึ่งเธอรดน้ําต้นไม้ไปร้องไห้ไปคิดในใจว่าถ้าเธอมีลูกสาวตัวน้อยเป็นเพื่อนเล่น แม่ทูลหัวปรากฏกายขึ้นต่อนหน้าเธอเป็นอะไรหรือลูกแม่เจ้าร้องไห้ทําไมกันถ้าอยากมีลูกสาวมานานช่วยบอกข้าทีว่าจะหาเขาเจอที่ไหนข้าหมดหนทางแล้วข้าหมดหนทางแล้วจริงๆโอ้อไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ข้าจัดการให้ได้ด้วยพลังวิเศษของแม่ทูลหัวมเมล็ดปรากฏต่อนหน้าหญิงสาว ลูกค่านั่นไม่ใช่เมล็ดธรรมดาที่งอกงามตามไร่สวนเมล็ดนี้ต้องการความรักและความอบอุ่นนะจ๊ะเอาไปใส่ในกระถางแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่าลืมให้มันได้รับแสงแดดแบบพอเพียงด้วยนะขอบคุณค่ะแม่ทูนหัวท่านมีน้ำใจมากเธอปลูกเมล็ดในกระถาง เอาวางไว้ตรงหน้าต่างเพื่อให้ได้รับแสงแดดเพียงพอมเมล็ดเติบโตเป็นดอกไม้ใหญ่อย่างรวดเร็วมันดูคล้ายกับดอกทิวลิปหญิงสาวดูแลดอกไม้ด้วยความรักและรดน้ำทุกวันวันหนึ่งเธอจูบกลีบที่บานออกมาครึ่งหนึ่งเบาๆเหมือนดังเวทมนต์ดอกไม้บานออกข้างในมีเด็กหญิงบอบบางตัวน้อย นั่งอยู่ข้างในนางคือลูกสาวของข้าข้าจะเรียกนางว่าทำเบลิน่าเพราะเธอตัวเล็กกว่าหัวนิ้วมือของข้าข้าคือแม่เจ้าเจ้าชื่อทำเบลิน่าจ้ะรู้ไหมดอกไม้ได้ให้ลูกสาวที่เธอฝันไว้เธอมีเปลือกวอลนัทเป็นเปลกลีบสีม่วงเป็นที่นอน เธอใช้กลีบดอกกุหลาบเป็นผ้าหม่มระหว่างวันเธอเล่นในเรือดอกทิวลิปลอยไปในน้ำเธอพายไปมาด้วยไม้พายสองอันที่ทำมาจากขนม้าช่างเป็นภาพที่งดงามนักคืนหนึ่งเธอหลับสนิทในเปลววอลนัทเจ้ากบตัวโต กระโดดเข้ามาทางรูบานกระจกนางชางลดงามนักนางเหมาะจะเป็นเจ้าสาวของลูกชายคนโตของข้าเจ้ากบเอาเปลือกวอลนัทที่สาวน้อยนอนอยู่เธอวางทาเบลีนาบนใบบัวกลางสะนามเราเอานางวางบนใบบัวแล้วนางไม่มีทางหนีเราไปไหนได้ดอกนะ ถูกทิ้งตามลำพังบนใบบัวทำเบลีน่านั่งร้องไห้เธอไม่อยากมีสามีเป็นลูกชายของเจ้ากบใจร้ายข้าไม่มีวันแต่งงานกับเจ้าเจ้าพูดแบบนี้กับข้าไม่ได้ส่วนแม่ของทํเบลีน่าก็พยายามตามหาเธอทุกซอกทุกมุมของบ้านแต่ก็หามไม่เจอฝูงปลาว่ายน้าเข้ามาใกล้เธอ พวกมันเห็นเจ้ากบและได้ยินที่มันพูดคุยกันพวกมันสงสารเธอจึงตัดสินใจจะช่วยขณะที่เจ้ากบและลูกชายของเธอยุ่งเตรียมงานแต่งงานฝูงปลารวมตัวหลอมรอบก้านบัวและใช้ฟันกัดใบบัวคาดออกจากกา้าน ทาเบลีนาก็ลอยไปตามน้ำขอบคุณพวกเจ้ามากพวกเจ้าใจดีเหลือเกินทำเบลีนาลอยออกไปไกลจนเจ้ากบหาเธอไม่เจอทาเบลีนาลอยผ่านหลายแห่งจนพวกนกน้อยเห็นเธอและพูดว่านางช่างสวยนักเมื่อใกล้คํา เธอพันตัวด้วยใบไม้และหลับไปแต่เช้าต่อมาเธอตื่นมาในที่ที่แสงแดดซองลงน้ำมันดูเหมือนทองคำแวววาวเธอลอยไปเกือบสุดสายน้ำแล้วจู่ๆมแมลงตัวโตบินผ่านนางสวยจังข้ต้องช่วยนางซะแล้วท่านได้นั้นเขาใช้อุ้งเล็บจับเธอขึ้นมา แล้วพาไปที่ไกลโพ้นคุณมแมลงท่านจะพาข้าไปไหนอ่ะข้าจะพาเจ้าไปที่บัาิของข้าสักพักพวกเขาก็มาถึงบ้านเจ้ามแมลงแมลงตัวอื่นๆที่อยู่ในต้นไม้นั่นต่างเข้ามาดูแขกที่มาเยือนเพื่อนดูสาวสวยคนนี้ข้าจะแต่งงานกับนางนางมีแค่สองขา หน้าเวทานานักนะดูสินางมีแขนแค่สองข้างด้เลดนักนางดูเหมือนมนุษย์อะ่ะช่างนาเกลียดนะักนาเกลียดจริงๆเลยเจ้ า, มาแมลงเห็นด้วยกับเพื่อนๆของเขาด้วยความโมโหเขาจึงเอาทาเบลีน่าไปทิ้งไว้ในป่าลึกฤดูหนาวมาเยือนหิมะเริ่มตกแม่สาวน้อยน่าสงสารหนาวสัน่น เธอหนาวมากเธอเดินหาอาหารและที่พักอาศัยไม่นานก็พบกระท่อมหลังน้อยเธอเดินไปที่ประตูบานใหญ่ของกระท่อมและเคาะหนูที่อาศัยอยู่ในบ้านเปิดประตูออกมาเจ้าเป็นใครเจ้าตัวน้อยนะ่าสงสารอะข้าหลงอยู่ในป่าข้าหนาวมาก ข้ายังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะท่านช่วยข้าได้ไหมข้าอยู่คนเดียวเจ้าเข้ามากินอาหารกับข้าได้เข้าข้างในข้างในจะทำให้เจ้าอุ่นแต่ก่อนอื่นข้าขอถามชื่อเจ้าก่อนได้ไหมข้าชื่อทัมเบลิน่าทัมเบลิน่าเข้าไปในบ้านบ้านอบอุ่นและเนิ่นอยู่มีห้องเก็บธัญพืชและห้องครัวพร้อมตู้กับข้าว กับคุณที่แบ่งอาหารให้ค่าให้ที่คุณอุนอ่นแก่ค่าเจ้าอยู่กับข้าทั้งฤ ด, ดูหนาวได้นะคุณหนูท่านใจดีเหลือเกินเจ้าหนูทึ่งกับความสวยของทัมเบลิน่าจนอยากให้เธออยู่ด้วยตลอดไปวันนี้วันสุดสัปดาห์เรามีแคกอะเพื่อนบ้านมาหาข้าอาทิตย์ละตั้งครั้งหนึ่งเลยนะรู้ไหม ไม่นานกระดิ่งประตูดังตัวตุ่นยืนอยู่เขาสวมเสื้อโคดกำมะหยี่สีดำเจ้าตุนได้ยินเสียงเธอจึงตกหลุมรักเสียงหวานของเธอเขาตัดสินใจแต่งงานกับเธอเขาไปหาหนูและพูดว่าข้าจะให้อาหารทั้งหมดและบ้านข้าถ้าเจ้าให้ข้าแต่งงานกับหญิงงามนางนี้เจ้าหนูปฏิเสธเศรษฐีตุ่นไม่ได้ ตกลงข้าจะเตรียมการไวโอค้คอทอมเบลิน่าไม่อยากแต่งงานกับเจ้าตุนเช้าวันต่อมาเธอตัดสินใจหนีไปขณะที่เดินหลงอยู่ในป่าเธอพบนกกระจอกบาดเจ็บนอนอยู่ในป่าเจ้านกน้อยนะ่าสงสารคงจะตายเพราะความหนาวแน่เลยทอมเบลิน่าเดินเข้าไปใกล้เห็นว่าเจ้านกน้อยยังไม่ตายเขาแค่บาดเจ็บ เจ้าเป็นอะไรหรืเปล่าเจ้านกน้อยน่าสงสารไม่นะเจ้าเลือดออกอะทำเบลิน่าตัดสินใจช่วยเจ้านกน้อยเธอพันแผลและทายาให้เจ้านกกระจอกไม่ต้องห่วงนะนกกระจอกเจ้าไม่เป็นไรแล้วเจ้านกกระจอกบินได้หลังจากที่ทำเบลิน่าพันแผลให้ลาก่อนเจ้านกน้อยแสนสวย ขอบคุณเจ้าหนูน้อยข้าจะไม่มีวันลืมมีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม่นานนักเธอเห็นเจ้าหนูและเจ้าตุนเดินมาร้องเรียกชื่อเธอทมเบลีนาเจ้าอยู่ไหนเมื่อทมเบลีนาได้ยินเสียงพวกเขาเธอบอกเจ้านกกระจอกว่าเจ้าหนูอย่าให้ข้าแต่งงานกับเจ้าตุนช่วยพาข้าไปให้ไกลจากพวกเขาทีข้าไม่อยากแต่งงาน ไม่อยากแต่งงานกับเจ้าตุ่นนั่นข้ามีแผนแล้วมาเถอะบินขึ้นหลังข้ามาเลยบายคุณหนูขอบคุณสำหรับทุกอย่างข้ารักท่านและจะไม่มีวันลืมเจ้าตุ่นและเจ้าหนูตกใจที่เมื่อเห็นทํมเบลีน่าบินไปเจ้านกกระจอกพาเธอไปยังดินแดนดอกไม้ ที่มีดอกไม้เนานาพันธุ์และนกน้อยร้องเพลงช่างงดงามนักที่นี่เรียกว่าอะไรนะที่นี่ชื่อว่าดินแดนดอกไม้ได้เวลาที่ข้าต้องไปแล้วขอบคุณเจ้านกกระจอกท่านดีกับข้าหลเกันท่าเบลิน่าดีใจมากนี่แหละบ้านของข้าดอกไม้หอมจังเลย นกน้อยร้องเพลงก็ไพเราะไม่นานเธอก็นึกถึงบ้านของเธอที่แม่เลี้ยงดูเธอมาด้วยความรักเธอรู้สึกเศร้าและอยากกลับบ้านแต่ทันใดนั้นราชาแห่งดินแดนดอกไม้ปรากฏขึ้นเขาเห็นทํมเบลีนาและตกหลุมรักเธอข้าคือราชาแห่งดินแดนดอกไม้เจ้าคือหญิงสาวที่งดงามที่สุดที่ข้าเคยเห็น เจ้าจะแต่งงานเป็นภรรยาของข้าเด็ไหมข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นราชินีแห่งเมืองดอกไม้ทัมเบลีนาคิดอยู่พักหนึ่งแน่นอนว่าเป็นสามีที่ไม่เหมือนลูกชายเจ้ากบมแมลแงและเจ้าตุ่นใส่โคตกรกามี่สีดําค่ะถ้าท่านพาข้ากลับไปหาแม่ค่ะแล้วเราอยู่กันสามคนอย่างมีความสุขเขาตกลงและให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่ทัมเบลีนา ของขวัญที่ดีที่สุดคือปีกใหญ่ของแมลงใหญ่เมื่อนามาติดกับหลังของเธอเธอสามารถบอยบินจากอีกดอกไปยังอีกดอกหลังจากแต่งงานราชาและทัมเบลิน่าออกบอยบินหาบ้านแม่ของเธอแม่ดีใจมากที่เห็นเธอกลับมา โธทอมเบลิน่าเจ้าไม่รู้หรอว่าแม่ดีใจมากแค่ไหนที่เจ้ากลับมาแม่จะไม่ปล่อยให้เจ้าไปห่างแม่อีกแล้วนะข้าจะไม่มีวันทิ้งแม่ไปแม่ต้อนรับเขาทั้งสองและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดกาล